บรรยายวินัยมวนที่สองนักธรรมชันตรีโดยพระอาจารย์ดุนมอชันถูปโมสาธุนชนผู้ใครในธรรมทั้งหลายได้เฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่กำลังศึกษานักธรรมชันตรีอยู่วันนี้ก็จะได้พูดถึงธรรมที่สองธรรมที่สองนี้พอพูดถึงเรื่องของวินยัย ว่าการแรกคืออุปสมบทากาที่สองนี้ได้แก่พระวินยัยองคพระินัยนั้นก็เป็นสิ่งสำคัญมากที่เราที่เป็นอาภิสุขมณีจะต้องศึกษาให้เกิดความรู้สึกความเข้าใจเพระพะินัยนั้นเป็นราดเจ้วของศ า, าสนาศ า, าสนาที่จะดารงมาจนถึงปัจจุบันนั้นก็อาศัยพระอินยเป็นหนึ่ง ที่จะทําให้ศาสนาดำรงมานี้ขัไ้ไมนั้นเอหลักที่เราจะต้องศึกษาให้เข้าใจก็จะได้นาหลักสําคัญสำคัญมาก่อนแล้วเราจะได้ศึกษาในละเอียดเป็นลําดับลําดับไปประการแรกก็ต้องอศึกษาเรื่องอัตแห่งขั้ไนไมประการที่สองศึกษาประเภทแห่งขั้ไนไม่ประการที่สามก็ความสําคัญแห่งขั้ไนไม่ประการที่สี่ ปะโยชแห่งขึ้นในะกานที่ห้ามูลเหตุแห่งการบัญญัติขึ้หมนขึ้นมาะกานที่หข้อบัญญัติแห่งขึ้นในะกานที่เจ็ดประโยช์แห่งการบัญญัติขไหนในะกานที่แปดอาณสงแห่งการเรีย น, นทึ้นในะกานที่เก้าอาส์แห่งการปฏิบัติสาม่ไหนในะกานที่ส0สมุกฐานแห่งกาละเมิดขึ่ไหน ประการที่สิบเออาการที่พิสุจะต้องอาบัติประการที่สิบสองโทษในการเมื่องละเมิดทวีไนและประการสุดท้ายคือประการที่สิบสามความเป็นมาแห่งทวีไนปจะ ก, การแรกที่เราจะต้องทำความเข้าใจก็คืออัดแห่งทว่ไนอับแห่งทวีไนมีอันน้ น, น, ออนกล่าวไหวสามอย่างด้วยกันเนเอาทวี น, นั้นกล่าวว่ามีน คือมีไม่ต่างๆมีไม่เป็นพิเศษและก็เป็นเครื่องสืบขัดบัดกายว่าจาอาอริมัมที่กล่าวว่ามีอับหรือมีอับหมายความว่ามีหม่ต่างๆนั้นก็เพราะว่าอิไมยนั้นเมือ่อจะแยกแจออกไปแล้วก็ได้มากมายหลายประการอาริไมยมียอะคือ หมายความว่านิมัยเป็นพิเศษนี่อัจเป็นพิเศษนั้นก็เพราะว่าอาวินัยนั้นมีนมัยเป็นพิเศษกล่าวคือเมื่อบรรยายขึ้นแล้วถ้าปรากฏว่ายังไม่รัดกลมพอหรือยังมีโทษเบายังไม่เหมาะสมแก่ความผิดปการใดก็บรรยายเพิมเ่มเติมให้รัดกลมยิ่งขึ้นหรือบรรยายให้มีโทษมากขึ้นขึ้นเพราะว่าถ้าปรากฏว่าเข้่งวดขัดขันเกินเกินไป รือมีโทษหนักเกินไปก็บัญญัติเพิ่มเติมให้ลดหย่อนความเครื่องนวดขดขันน้าลงสิบบ้างหรือบัญญัตให้มีโทษลดหย่อนผ่อนลงมาให้เหมาะพอควรแก่เหตุนนี้เป็นต้นนิพพานที่สามนี่ว่าดีในมมีอักคือเป็นเครื่องสืบหัดกายวาจานั้นก็วิธีในเป็นเครื่องห้ามเป็นเครื่องตั้งความประพฤติเรื่องละเมิดทางกายทางวาจา ให้อู่ในกรอบแห่งวัฎเสียบดีงามเป็นอันเดียวกันเพรเพราะว่ า, ว า, า, คคาวทั้งบรราคนเราที่อยู่ด้วมกันเป็นหมู่เป็นคณะนั้นย่อมมีวิซัยอัตยาศัยทิศแตกแตกต่างกันเนี่ยมีลิสัยไม่เหมือนกันบางคนก็มีลิสัยอัตยาศัยยาบางคนก็มีลิสัยอัตยาศัยละเอียดตะขุมเป็นต้น ใางที่คนเราจะอยู่เรื่องกันเส็มปกติสุตได้ก็จำเป็นจะต้องมีระเบียแบแบแผนสำหรับประคุตปฏิบัติทางกายทางวัจาให้เป็นไปในทํานองเดียวกันคือเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยนั่นเองข้าวเมานี้ถ้าหากว่าเราจะพูดในหลักสูตรของนักธรรมชั้นตีนง เราก็พูดเอาเพื่อความเข้าใจง่ายแม้ว่าเราถ้าจะถามวาิมัยคืออะไรเนี่ยเราก็ตอบว่าวิมัยก็คือกฎหมายข้อบังคับระเบียบแบบแผนขบถทำเนียมอันดีงามของปิฏุอย่างนี้ก็ได้หรือจะแปลว่าพุทธบัญญัติและอภิสมาจารย์เรีเรยกว่าวิมัยก็ได้เนี่ยคือตอบได้หลายอย่าง แั้วเราจะตอบยังไใบย่อมหนึ่งไม่ทั้งไม่เนะี่ยคือไม่ผิดหรกในความันนี้เราจะตอว่าดิมัคือรรบบที่จะบัหญัติได้ทสมาจารย์เขาก็ให้หรือจะตอว่าดิมัคือกฎหมายข้อบงังคับระเบียบแบบแผนทาง บ, บทรรมเนมอันดามของพิสูจ ก, ก็ได้เหมือนกันหรือการบัญญัตพ ร, รี่ดิรรมันั้นที่จริงเาก็ไม่ได้รงบัญยัตไว้เรื่องน้ แต่ว่าค่อยมีมาโดยลําดับการตามเหตุที่เกิดขึ้นนะซึ่งมันเรียกว่าเป็นมิทานบัง้งเป็นปะกรบัง้งนิธานปะกรนี้แหละเรียกว่าบุญแห่งบรญญัตินะบุญแห่งบัญญัติซึ่งเป็นข้อที่ทรงตั้งไว้เดิม น, นี้ถ้าบรรยัติที่ทรงตั้งไว้แล้วเนี่ยม้นไม่เป็นไปโดยสะด็จก็ไม่ได้ทรงถอนเลยทีเดียวแต่ว่า พระองค์คงบัดแรงตั้งเพิ่มเติมทีหลังเพื่อเรียกกันว่าอนุบัญญัติเพิ่มเติมขึ้นมาการบัญญัติพระมีมาที่ประมินของบัญญัติเนี่ยนยะพระพุทธองค์ไดอ้อาศัยเหตุวิธีการบัญญัดของพระองค์นั้นก็ได้กล่าวไว้เป็นเป็นหลักสําคัญสําคัญเอาไว้ว่าเมื่อเหตุเกิดขึ้นแล้วพระองค์ก็จปะปับ ประชุมส่งเลือบหับประชุมส่งแล้วก็จับถามพิกษุน์ผู้ปลอให้คุนครับล้วจะชี้โทษอนการสกิตที่ผิดนั้น้องแสดงอ า, งา ร, รอม์แห่งการคำรวมแล้วก็แสดงโทษคือปรับอบัแิไวหนักบ้างเบาบ้างตามสมควรนี่นคือวิธีการตั้งระเบียบนะหรือว่าจะทำตื่นดเต้นมาจนข้ อ, ข อ, ขอ เวาายของข้อที่หนึงเรื่องเหตุเกิดขึ้นแล้วจัดสั่งไปเกี่จั ด, จ ด, ดสั่งไปสืบส่งสองปัญหาที่สืบผู้ก่อให้คุงครับสามที่ทีท่าป็นการปฏิทดิดและก็แสดงอนเฉลี่ยของการปฏิบัติคือกามสมรสรวมและก็สีอยางโทษคือแบบโทษไว้หนักบ้างเบาบ้างตามสมควร ม, มีการบรนดาลพระนัยจร้พระีินัยมีเท่าไหร่ เ, เราก็เปนงทนี่เราจะต้องทำความเข้ า, ขาขใจ เรามนเพราะว่าโมกำหนดความแล้วมีสองประการคืออาคาระยะยีใ่นใหมไม่แต่วิ่ใหของผู้ครองเรือนชาวบ้านทั่วไปมาพูดแล้วก็ได้แก่สินห้าิแดนั่นนะเ อ, อเป็นอาคาระยะยี่ไหน่ที่ยังจะต้องคร อ, อ, องคารวะาวิสัยต่อไป จาการที่สอนอามาคารยะยินไนได้แก่วินไนของบรระชิตคือนักบวชก็ไม่แก่ทิสุสัมมณีนี่ก็จะต้องออปฏิบัติตามพระินันของท่านสำหรับสมมมณี น, นั้นก็มีสิบสิบขาวบทสำหรับของทิสุก็มีถึงสอง้ยี่สิบเจ็ดสิบขาบทแล้วก็ถ้าเป็นทิกษิณีก็มีถึงสามร้อยสิบเอ็ดปัจจุบันนั้นทิสปิณีไม่มี นี่ไม่ว่าโเบสรุปแล้วก็มีอยู่สองประการเช่นนี้ทีนี้เราจะตอบในอื่นก็ได้อาจจะตอบว่ามีสองขึ้นปรแบันยอดาที่สมมติฐารก็ให้เหมือนกันหรือจะตอบว่าอาคารยินไม่ยินไมของคารวาผู้ก่อเรือมอาคารยกินไม่ยินไมของบัณฑิตก็ได้เหมือนกันสรุปล้วก็มีอยู่สองประการแบบที่ได้กล่าวแล้วม <c oughs> ี่เป็นยินไม่ที่ เราจะต้องทำความเข้าใจสำหรั บ, บนักธรรมชั้นนี้อแล้วก็สรุปลงมามางที่ฤติกล่าวแล้วว่าอันวิโมยมีเท่าไหร่เราก็จดจำเอาไว้ที <c oughs> นี้เมื่อเราพูดถึงอวิโมยแล้วเราก็ต้องพูดถึงข้อที่สำคัญที่เกี่ยวข้องว่าอาการบรัญรยัตที่พระพุทธองค์ทรงบรรัญญัตินี้อมีความสำคัญเกี่ยวกับโทษอย่างไร ที่เราจะต้องรู้จักโทษของของพระวิมารที่จะเกิดมีขึ้นก็เมื่อเราเรื่องละเมิดแลจวมจะมีขึ้นโทษนั้นเขเรียกว่าอาบัตนะอาบัตคนะือ <c oughs> อะไรที่เราจะต้องทําความเข้าใจกันต่อต่อจากที่เราทรงรู้ว่ามูลบัมบัดเป็นมาอย่างไรอาบัตคือ <c oughs> โทษที่เกิดเพราะความละเมิดในข้อที่พระพุทธเจ้าห้าม หรือทำเกินไปในข้อที่สพุทธองทรงอนุญาตทําเรตว่าอาบัตนะถ้าถามว่าอาบัตคืออะไรเราก็้องว่าก็คือเจตนาที่เลื่อมละโมบพระพุทธบัณอยากมีโทษเหนือตอนอยู่ชื่อว่าอาบัตถ้าบัตแปลว่าอะไรนี่อาบัตก็แปลว่าความต้องความถึง ความต้องนะความต้องก็หมายป็นต้อ ง, งโทษเมื่อเราไม่ละเมิดในสิ่งที่พระพุทธ อ, องค์ทรงห้ามและก็ไม่ถึ่งที่ทรงอนุญาตเมื่อทําเกินไปก็มีโทษเหนือต น, นอยู่นี่นปนแปล ว, ว่าความต้องนี่นปนแปล ว, ว่าความถึงก็หมายถึงถึงซึ่งขอโทษอันนั้นเมื่อทําลำาลาไปแล้วถูกอภิเทตไปแล้วก็จะต้องถึงโทษนอกจากไม่มีใครลงโทษแต่ก็มีโทษตามที าทำผิดเรื่องละเมิดนั้นดังนั้นข้อเกี่ยวกับอวบนี่ถ้ามีคําถามมันอาจจะมีความย้อนไปย้อนมาจนว่าอาบัติคืออะไรอะไรเรียกว่าอบัตอบอวรแปลว่าอะไรซึ่งเป็นสิ่ ง, ง, ง, งที่เราจะต้องตอบให้ตรงกับคําถามนี่ตไปตรงกับความถามมีอวบเอาว่าโดยโดโทษแล้วเนี่ยเป็นอย่างไร อาบัตนี้ถ้าว่าเบโเพษแล้วมีสามสถานด้วยกันนะคืออย่างหนักอย่างกลางอย่างเบาอย่างกลางนั้นอย่างที่ต้องให้ขาดจากการเป็นทิศศกไม่แก่อัตตาราชิอย่างเรียกอย่างกลางอย่างที่ต้องให้อยู่กรรมคือปะพฤติผลมาณตน เมื่อแอาบัตสังคาพิเศษเนี่ะจะต้องรับผิดธรรมทา น, นด้วยการอยู่กรรมอย่างเบาก็เป็นอาบัตที่จะต้องประจานหน้าต่อมาพิเศษฤทธิธในรูปหนึ่งหรือมากโฉนมากคณะมากบุคคลคือพิเศษฤทธิในฤทธิหนึ่งก็พ้นจากอาบัตได้ไม่มีโทษอย่างนี้อาบับอย่างเบานั้นก็ไม่ใช่อาบัตที่ออมีโทษ โดยที่เราแสดงเขาตกไปได้มีห้าอย่างแต่ไม่แต่บัตรจิตใจบัตรปาจิตรอบัตรปาริเทจรูปย่อบัตรทุกขบัตรทุกาจิ ต, ต, ต, ต, ต, ต น, นี่ถ้าเราจะยอ่อโทษของอบัตรท่าสามสถานลงมาให้เหลือแค่2องสถานเนี่ยจะได้หรือไม่อันนี้ท่านบอกว่าได้ยอ่อลงมาเป็นอัตศจิตขาอาบัตที่แก้ไขไม่ได้หนึ่ง อยอดลงมาเป็นอัตเตจิตชาอาบัตที่แก้ไขบ่ายหนึ่งนี่ อ, อับบัติที่อปัปเตนอัตเตจิตาที่แก้ไขบ่ายมนแะอป้ปเตมไขไม่บ่านั้นหมายถึงอบัตอะไรอันนี้ไม่ใอบัตตาฤกษ์อย่างเดียวแก้ไขไม่ได้สมัยนี้ถ้าผูบายไปต้องเข้าแล้วก็มีอย่างเดียวคือขาดจากการเต็นทึกสนะุจะบํารงงุงความเต็มทึกสุต่อไปไม่ได้น้อกจากบําลุงอยูก็ไม่ได้เป็นทึกสุ แล้วก็การบังบงเหยื่อโดยจบจิตความผิดของตนเองซึ่งกระทาผิดถึงอันมรายวัตถุคือขาดจาัการเป็นพิสุจะไม่สึกออกไปไปอเ อ, อ่ถือเทศอยู่ก็จะเป็นเหตุให้ได้รับผลกรรมมากขึ้นเพราะว่าไม่เป็นพิสุแตก็พิสุสื่อไม่เร็วก็จะต้องมายกมือว่าจะต้องมากรายยิ่งมีความสามารถเท่าไหรก็พิสุเองมากรายก็จะทําให้บาปยิ่งขึ้น และก็จะเท่าเข้าทำสังคกรรมเรื่องกับสังฆกรรมต่างๆถ้าเกิดกรรมนั้นมีอที่เกิดจำนวนพอดีเราเพื่อทีอ่ต้องอบัตขาดจากการที่มันเข้าไปเหยื่อด้วยก็จะเป็นเหตให้สังฆกรรมเขาใช้ไม่ได้เกี่ยดได้ก็จะเป็นบาปกรรมมากที่สุดเหมือนกันดังนั้นอาบาัตมนี้แก้ไขาไม่ได้ที่จะทําให้พ้นได้ยอย่างใดอย่างหนึ่งพก อ, อไม่มีนอกจากสุกขาลาเทศออกไปเป็นฆราวาส ไม่อาสามารถที่จะยังคงเพิดใการเป็นเป็นเศษซ อ, ไอกไปแล้วเรืาอาเทท่องขออาการปวฉานเยียาไม่ได้แก้ไขไม่ได้จะต้องึกษซอกไปเป็นราว่าหามจีนตามกรรมต่างๆออไปแมเรื่องของอาการปวกฉาแก้ไขไม่ไเยียวยายไม่รักษาไม่อมนนีก็เป็อวบตั้งแต่สังขาที่เศษลงไปจนถึงอวบทุกธาตอันนี้แก้ขไขได้แต่ว่าการแก้ไขไมนั้นมันก็แตกต่างกาันตามความหนักความเบาของอวบ ก็ได้กล่าวเลยว่าอบัตทั้งกรารพิเศษนั้นถ้าหากว่าตั้งแล้วก็จะต้องเอแก้ไขด้วยการโยยปุถุโธรรมาตนเรียกว่าโยยปฏิวัตกรรมหรือโยยกรรมซึ่งจะพ้นจากอบัติมันได้เชิงนอกนั้นก็แสดงก็ขอจะจบได้มันเมื่อย่อโทษของอบัตลงมาก็มีอยู่สองสถานถ้ อ, อเป็นศิชาแก้ไขไม่ได้จะเป็นศิาแก้ไขได้มีอาบัตทั้งหมด ไม่กล่าวไปแล้วแต่ว่าบางท่านอาจจะจำชื่อของอาบัตไม่ได้อมบัดมีว่าเมงชื่อแล้ก็มีอยู่ทั้งหมดเจ็ดชื่อหรือเจกองนะเจ็ดชื่อหรือเจกอง7็ชื่อก็มีตาราชิกหนึ่งสังขารพิเศษหนึ่งถิญญ์ใจหนึ่งตาจิตติหนึ่งตาจะเทจมิกยะหนึ่งทุกกฎหนึ่งทุกท้องถิ่นหนึ่งเรีมาก็มีเจ็ชื่อด้วยกันนะ สารคิดอย่างหนักของการิเสธอย่างกลางนอกนั้นก็เป็นอย่างเดานะเป็นอย่างเบาทีนี้บางคนอาจจะบางท่านอาจจะเข้าใจว่าเอ๊ะข้อหลักเรามีเป็นสองร 2017, ้ อ, อยี่สบเจ็ดไม่ใช่หรืออันนั้นเป็นสิขาหมดแต่ชื่อของอวบัตที่แท้ๆมันมีแค่เจ็บเท่านั้นแหละไม่ได้หมายว่าอวบัติจะต้องมีสองรยสิบเจดสิขาบทไม่ใช่อย่างนั้นอําบัตมีแค่เจ็บเท่านั้นเองมีการตั้งอวบัตเนี่ย เราจะต้องได้อย่างไรเอา น, นี้เราก็ต้องศึกษาต่อไปอีกว่าเหตุที่จะให้ต้องอาบัตนั้นมีอยู่ที่ตํเาเบ็ดมสมุดถามแห่งอาบัตสมุดถามแห่งอบัตก็คือที่เกิดของอาบัตนั่นเองที่เราจะต้องศึกษาให้เข้าใจสมุดถามเร้่ที่เกิดแห่งอาบัตนั้นกลายไว้โยตรองนั้นมีสี่อย่าง กล่าวว้โดยอ้ อ, อมขึ้นมาในบาลอีกสองเป็นหก้วยกันสม ม, นา ม, ามติฐานเหมือาอมตโดยรโดงอีอย่างนั้นก็คือลำพังกายลำพังวาจากายกับจิตวาจากับจิตลำพังกายโดยการกระทำอย่างไรลำพังกายนั้นคือการกระทำที่ทำโดยไม่มีเจตนาทำ คือเป็นกายอย่างเดียวไม่มีจิตเข้าไปจากกอบเชื่อการดื่ม น, น้ำเมาการดื่มน้ำเมานี่ยคำบอกว่าแม้จะไม่มีเจตนาในการดื่มก็ไม่พ้นจากการเจริญบัตรคือไม่มีการยกเว้น น, นั่นเองนะทั้งว่าแม้จะเราจะมอหลับเนี่ยคนอื่นเอาเหล้าหรือสุราเมรอะไรไปแล้วแต่ที่เป็นของหมื่นเมา มากรอกปากเราเริ่มเปลี่ยขึ้นมาแล้วก็กปลี่นน้ำมันเข้าไปอย่างนี้ก็ท่านบอกว่าปรับอวบัติเหมือนกันเป็นอวบตายจริงมันไม่เจอตมาท่านก็ปรับอบัติอันนี้ก็เป็นเป็นข้ออนันหนึ่งที่เกี่ยวกับการต้องอบัตบด้วยลําพังตายนะท่านยกเช่นการหนึ่มน้ำเมาเป็นต้นเป็นตัว อ, อย่างนรวมลําพังราจา คืออันนี้ก็ไม่มีจิตเข้าไปประกอบเช่นเดียวกันที่ต้องจะพูดออกไปเราไม่ต้องใจก็เป็นอบัติได้เหมือนกันทำยดตัวอย่างเช่นการสอนทำแกอั น, นุี็นสามบัญให้ว่าพร้อมกันนะสอนทำเนี่ยที่สุดสอนทำแก่อันนี้เสามบัญจะเป็นสมัมมาเวรสัมมาเวสุทธิ์ไปให้ว่าพร้อมกันเนยนะนอกจากอไม่ต้องใย จ, จะให้ว่าพร้อมกันจะเกิดว่าพร้อมกันขึ้นอย่างนี้ ก็เป็นอวบัตเหมือนกันเรื่อวันลําถังวาจาไม่มีเจสนาจะให้เป็นเช่นนั้นแต่ก็พอเองว่าพร้อมกันขึ้นมาก็ท่านก็ปราบอาบัตเป็นเป็นอวบัตปลายจิตวิอาข้อนี้ไม่น่าจะปราบอาบัตแต่ว่าท่านกล่าวว่าเพื่อไม่ให้ลูกศิษย์นั่งดูมินครูทุกครูบางคนเนี่ยไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจก็เลยว่าพร้อมกันไปทั้งครูทั้งนักเรียนอะไรต่างๆ น, นี่แหละนั่นก็จึงมีบัญยัตไว้ในในเรื่องเหล่านี้นะลาพังวาจา เป็น บ, บาปเพราะกลางสาวาจาแม้ไม่ตั้งใจก็ประบบาปได้เหมือนกันในบางข้อไม่ใช่ทุกข้อทุกอย่างตายนี่กายกับจิตกายกับจิตหมายถึงว่าอามีจิดเข้าไปประกอบแล้วเป็ น, นเรื่องเจ ต, า ต, าาตเนต า, า, ตน า, าแล้วมีจิดเข้าไปประกอบด้วยยกตัวอย่างน้อยๆเช่นการตามค่าสัตว์อย่างนะตามค่าสัตว์เนี่ยเราฆ่าเองแล้มีจุดคิดจะฆ่าแล้วเราก็ไปฆ่ามันการม อาตายฆ่าเป็นจิตนอนจังให้กายท่ายังไม่เรียกว่ากายกับจิตนี่การเปิดในยผมนี้ก็เป็นกายกับจิตเหมือนกันถ้าะจิตคิดจะทําอยู่แล้วก็ไปทําเข้าฉะนั้นก็กายกับจิตนี้เป็นเป็จนจมูกถามอันหนึ่งที่จะให้ต้องอานบัตรนี่ยกตัวอย่างในยกตัวอย่างได้เป็นอย่างอื่ น, นก็มีมากยกตัวอย่างให้เห็นว่าการฆ่าตัด้วยตนเองหรือการลักขโมยด้วยตนเองก็เป็นกายกับจิตเหมือนกันมีจิตคิดแล้วก็ไปกระทําเข้า นะฮะรวมอีกอันหนึ่งก็คือวาจากับจิตวาจากับจิตนีไหมายถึ ก, กายไม่ได้ทําแต่ว่าใช่วาจาเมสั่งให้คนอื่นไปทําโจกุกรรมคือสั่งคนอื่นไปรักไปขโมยอะไรต่ออะไรเนี่ยก็เป็นอาบัตเหมือนกันนะสั่งให้เขาไปรักสั่งให้เขาไปเล่นอย่างนี้ถ้าเขาเล่นได้ก็เป็นอาบัติถึงที่สุดเหมือนกันนเรียกว่าลำ้ำทางวาจากับจิต ใช้ให้คนอื่นทมก็เป็นอาบัตใช้ให้คนอื่นฆ่าฆ่าปันก็เป็นอาบัตเรียกว่าลาพางวาจากับจิตมันบาลีนั้นเติมเข้ามาอีกว่ากายวาจาค<ม>วบ ก, กันเข้านนหนึ่งและก็กายวาจาจิตอืดอันหนึ่งก็รวมเป็นหกันก็เรียกว่าสมุทฐานแห่งอาบัตสมุทฐานแห่งอาบัตที่ เราจะต้องรู้ต้องเข้าใจว่าสมุทฐานแห่งอวบัตคืออะไรอย่างเงี้ยเราต้องสำรวจฐานแห่งอวบัตก็คือที่เกิดแห่งอวบัตโดยตรง ม, มีสี่โดยอ้อมมีสองรวมเป็นหกในกัดมีอวบัตมีเมื่อ เ, เพิ่มโดยเจตนาจนที่ตั้งและก็มีอยู่สองประการที่เราจะต้องอจําไว้นะอวบัตเพิ่งมโดเจตนามีสองประการคือประมาณที่หนม่ได้แก่จิตตกะเพิ่ขึน้นเลยสมุทฐาม น, ม, า ม, น ม, ามีเจตนา สองอิสักะเกิดขึ้นโดยสมุธฐานแนมะ้ไม่หยุดเดชะนานะนี่ตามทางที่เราจะกำหนดเล ว, ว่าอาบัติว่าเป็นปภิสักกะหรืออภิสกกะนั้นก็ค่อยเร่งความและเรหามัจิตขาบทนั้นเองเบงชัดเลยนะ่ะอภนะิสักกะนั้นมานมมเกิดขึ้นโดยสมุธฐานเมื่อเกตนานั้นน่ะ เ, เรารู้ได้ว่าไิ่ขาบทใหม่ที่บอกว่ารู้หรือต้อง นดวงชัดอยู่ก็คงรู้ว่าทิศฐานบทนั้นเป็นสติสังกัปคือมีเจตนาเป็นที่ตั้ง เ, เรียกว่าสติสังกัปและทิศฐาหบดใหมห่ที่ไม่ได้มีความดวงชัดไม่ว่ามีเจตนาก็สิศานบทนั้นจะเป็นสติสังกัปไปเข้มหมานสมุทฐานที่เรากล่าวมาแล้วนั้นว่าลําำธงสา ว, าวาานันธ์วายจานี่อันนี้เป็จนเปนสมุทฐานที่อไม่มีเจตนา ส่วนการกตัดผิดาจาการกตัดผิดนั้นอันนก็มี่ผิดเข้าไปประกอบก็แสดงออกบอกใครไว้ว่ามีเจตนาก็เป็นสติปัจกาไปนะเป็นสติปัจการไปแล้วเราก็ถึงทราบดองที่กล่าวมานี้มีโทษอย่างอาาับนอกจากโทษที่ว่ามีสามสถานอคืออย่างหนักอย่างกลางอย่างเบาแล้วกระสองสถานอเษษษษษสเตกิษฐาอสเตกิษฐาแล้วก็มีโทษอย่างอื่นที่ ที่จะต้องทําความเข้าใจนี่นถ้าหากว่าอาถามว่าโทษแห่งอาบาัตนั้เท่าว่าโดยวัชชะโทษแล้วเป็นอย่างไรบ้างเราก็เป็นทําความเข้าใจตอบได้เลยว่าโทษโดยวัชชะโทษคือโท ษ, โท ษ, โทษแห่งอาบัตนท้่มีอยู่สองประการก็คือเลกวัชชะเป็นโทษทางโลกตัณโมติวัชชะเป็นโทษทางพระวิญญาณ นี่โทษของอาบัต์นะเมื่อเรวาวัดชาไม่แปลว่าโทษนะมีโทษทั้งทางโลกมีโทษทั้งทางพระบัญญัติ อ, อโทษทางโลกนี้ <c oughs> หมายความว่ายอย่างไรท่านได้กล่าวไว้ในอักถาแล้วก็สมเป็นบทหมายสมณเจ้าท่านก็กล่าวว่าอีกอย่างหนึ่งอาบัตที่เป็นโทษทางโลกนั้นท่านบอกว่า คนสามมันที่ไม่ใช่ที่สุรธรรมเนี่ยก็เป็นความผิดความเสียหายเหมือนกันนะเช่นทำตัวกรรมลดค่ามนุษย์ตลอดอจงึงมีโทษที่เบาหรือว่าเกี่ยวกับกรรารบาการตีกรรอย่างนี้เรียวกว่าโลกวัชชะมีโทษทางโลกอเนียโลกวัชชะมีโทษทางโลกหมายถึงว่าคนที่ทั่วไปที่ไม่ใช่ที่สุรธรรมก็มีโทษที่สุรธรรมก็มีโทษ เอ่นะ่ยเช่นตารค่าสัตัดเอาค่าตัดกันเนี่ยเนะี่ยตามกฎหมายก็ถือว่าเป็นความผิดเอาค่ากันที่กระทำก็เป็นความผิดเหมือนกันคนสามัญทำก็ผิดที่กระทำก็ผิดเนโลกาวัดชักมีโทษทางโลกนะรวมปัมมัติวัดชักนั้นไม่แต่โทษที่คนสามัญทำแล้วไม่ได้รับโทษไม่มีความเสียหายอะไรนะไม่มีความเสียหายอะไร ที่ป่อยจาก้่อที่สุดเท่านั้นเองนะเป็นการขุดบึงหรือการามอาหารเมิลาิการเนี่ยคนทื่อตายทำไม่ผิดถึงคารวถ้ า, ข, า ข, ขุดก็ขุดไม่ไม่มีอวบอะไรนี่มัอาหารมาิลาิการเนี่ยเลยที่แต่แรกเขาก็กินได้ไม่มีโทษอะไรตอนที่จะทาแล้วไมนมีโทษเป็นขุดึก็เป็นป่าจิตีฉมอาหารมริลาิการก็เป็นป่าจิตตีมันมีความผิดทางพระบัญญัติอย่างเดียว การพสูจน์ทำมีความสึกแต่คารวะทั่วไปทำไ ม, ม, ม, ม่มีความผิดนี่เรียกว่าปันญามติวัชชามีความผิดเฉพาะผู้ที่เป็นพิสูจนทํานะเรียกว่าเป็นปาตามัตต์แม่ติวัชชาตอนเอาสการหองเ ข, างเขา้าเห็นเข้าไปในจริงๆนั้นหมายถึงว่าพารหมณเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าอำนาจที่จำนวนกวังชั้นนั้นท่า น, น, น, นกล่าวว่า ได้เกิดอาบัติที่ต้องไม่เวลาที่จิตเป็นอกุศลนะจิตเป็ ม, มอกุศลทำยกความเบื่อเวลาเป็นตัวอยา่างนะยกกวามเบื่อเวลาเป็นตัวอย่างไม่รู้ะเป็นตัวาแล้วเราก็มาบริโภคแล้วเอามาบริโภคเอามาฉันก็ไม่เรียกบริจาคไม่เรียกมาฉันหรอกเพราะว่ามันเป็นเรื่องของถังลโลกเขามันเป็นสิ่งที่พิสูจน์ทําไม่ได้อยู่แล้ว ถ้าไปลืมสุราเข้าก็มันจะเกิดความเมาเมื่อเกิดความเมามันก็เกิดสไปสั้นเตือนแล้วก็แสดงอาการมาเกลียดมาลังเกียจแม่แม่เลิ่มไต่ขึ้นมาโลกเขาก็ตื่นเตีอนอย่างนี้นี่ไม่ไมอันตกรการรว่าอันนี้กะเป็นโรกประวัตชาเกิดขึ้นในขมับจิตเป็นอกุศลแหนวันปม้มมัตติวันช้านั้นเกิดขึ้นในขมับจิตเป็นกุศลทําลกเปรีวางเส่นฟาม เก็บดอกไม้มาเบญชาพระเนี่ยนะเ ก, เก็บเก็เป็นกุศลขึ้นมาอยากจะเบญชาพระน้อยที่เก็บก็จะเก็บดอกไม้เอาดอกไม้นั้นมาเบญชาที่เป็นกุศลแต่ว่าการไปเก็บดอกไม้เป็นการฆ่าของเขียวอย่างเงี้ยก็เป็นอบัติเนะี่ยเป็นอบัตในขณะนั้นเราก็เป็นกุศลนะม่เก็บไม้ไน่อยากจะทําบุญหรือเปล่านะว่าไปฆ่าของเขียวซึ่งอยู่กับที่แล้วออกจากที่หนึ่งก็เป็นอบัติเร่ต้องบอกว่า เป็นเป็นปัญหสิวะชะมีความผิดทางพระบัญญัติน้ำโลกกวัชะเอ่อ็นความผิดทางโลกนี้เอ่อท่านกล่าวว่ามีโทษมากควรที่ที่สุดทั้งหลายควรจะได้สมบูรว์ธรรมะระวังอยา่าในต้องเป็นอันเด็ดขาดโยมปัญหาสิวัชาแม้จะมีโทษเอ่อไม่มากนกักแต่ก็ถึงสมบูรว์ธรรมะระวังจะต้ง ป, ปฏิบัติตามสมควร สมมติมาปฏิปทาไม่ให้เคร่งจนเกินไปหรือหย่อนจนเกินไปเนี่ยตามสมควรเลยก็จะเป็นประโยชน์ในการที่เราจะปฏิบัติ ต, ตามพระบินัยอย่างไรเนี่ยปฏิบัติตามพระบิดายอย่างไรก็จะทําให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งเนี่ยนี่คือคือโลอัตวัชะโทษนะมีสองประการโลอวัชะโทษทางโลกปมติวัชโทษทางพระบัญญัติเราก็เป็นทางของพระใจ ในเรื่องอั น, นี้เอาไว้ให้น่่นน่่นให้จำให้น่่อนน่่อนนะหรือ น, นอกจากสมุผามที่เกิดแหงลบัตและอาการที่จะต้องอับัตกล่าก็เป็นศึกษาให้เข้าใจเหมือนกันอาการที่พิสุจะต้องอบัตนี้ท่านก็กล่าวว่ามีหลายอย่างเลยกันซึ่งท่านกล่าวไว้มีหกอย่างอาการที่พิสุจะต้องอับัตมีหกอย่างคือมือรับิตา ต้องเลื่อมเมาละอายสองอัจฉรตาต้องเลื่อมไม่รู้ว่าสิ่งนี้จะเป็นอาวัตสามขุขุจจะปัจจตตาต้องเลื่อมสงสัยแล้วก็ถึงทำลงไปสี่อัตติเยอัตติยะสันยิตาต้องเลื่สําคัญว่าควรในของที่ไม่ควรถ้าอัตติเยอกัตติยะสัออนยิตา ต้องเรื่อสําคัญว่าไม่ควรในของทีค่ควรและหกสติสมัมโมสาต้องเลือเล่อเรียนสตินี่หกอย่างด้วยกันอันติตาที่ว่าต้องเลื่อไม่ละอายนี้เป็นข้อเออเล่ที่สุดนะเป็นข้อที่เล่ที่สุดคือทั้งทั้งที่เล่ว่าอันนี้เป็นข้อที่ทรงบัญญัติห้าม ไม่ให้ที่สุกระทําแล้วกระทาเข้าไปแล้วมันเกิดความเสียหายหรู้อยู่แล้วก็ทําเลิกความไม่ละอายีมีโทษมากนะอาสามาต้องอาบัติถึงอาบัตปรารถิพก็ได้นั้นข อ, อข้อที่หนึ่งคือเกี่ยวกับข้อไม่ละอายนี้เป็นข้อที่เลวที่สุดนะที่เราพึงจำไว้ถ้าคำถามว่าอาการที่ที่สุต้องอบัตหกอย่างนั้นข้อไหนเลยที่สุเขาเห็นใจ เราก็ตอบไปยแวบบ่าข้อที่หนึ่งคือต้องเลื่อนใม้ละอายเร็ที่สุดเพราะสามารถสร้างอาัดได้ทุกทุกอย่างอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องนะทําความเข้าใจและก็จําให้มั่นทีเดียวเช่นข้อที่สองอญญายามตาต้องเลื่ม่รู้อันนี้สมยัยความไม่รู้ว่าพระพุทธองค์ทุกองค์บัญญัติไว้อย่างไรบ้างที่เราไม่รู้ไม่ได้ศึกษาไม่รู้ก็ไม่ได้มีการยกเลิกเลย ก็ปรับอาบัตเหมือนกันถ้าเราไปกระทำผิดเข้าถ้าหากว่าจะไม่ปรับอาบัติก็จะเป็นเหตุให้บุคคลบางคนไม่สนใจในการที่จะศึกษาให้เกิดความรูม้รเกิดความเข้าใจหรืออาจจะเป็นเหตุให้เกิดอ้าวกล่าวอ้างว่าข้าพเจ้าไม่รู้อย่างนั้นอย่างนี้ฉะนั้นข้อ น, นี้ก็เปนไม่ควรที่จะยกเว้นอะไรเนืยอว่าไม่รู้ก็ต้องอาบัตเหมือนกัน มั้นหมวดใหม่ๆอุปทานะท่านก็จะต้องสั่งสอนเรื่องอนุศาสตร์แปดประการให้เด็กนี้ได้เข้าใจว่าอะไรผิดอะไรไม่ควรกระทำอะไรควรกระทำอย่างไรเราก็ให้ศึกษาในอสกข า, าเเรื่องต้นที่เราจะต้องศึกษาให้เข้าใจฉันจะอ้างว่าไม่รู้ไม่ได้หั้าต้นเรื่องไม่รู้ก็เป็นเหตุให้ต้องอ า, ากหนักเหมือนกันแต่ก็ยังดีกว่าข้อหนึ่งข้อหนึ่งไม่รู้แล้วก็ทําผิดแต่ข้อนี้ไม่รู้ แม่ก็อาจจะทำผิดถึงระดับสูงสุดเหมือนกันแต่ก็มีความลดหย่อนลงมาจากข้อหนึ่งตามสมควรเรื่องข้อที่สามัมากุกุจจะปะกะปะตาต้องด้วยสงสัยและขืนทมอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องธรรมบาของผุ้ตุชนทั่วไปก็ต้องมีความสงสัยกันร่างตามสมควรแต่เรื่องที่สงสัยถ้าหากว่าเป็น สิ่งที่ทรงห้ามแล้วเราสงสัยแล้วขืนทําลงไปก็เป็นอบัติตามวัตถุที่เราทําไปแต่ถ้าหากว่าสิ่งที่สงสัยมันไม่มผิดฉบัญหนติเช่นน้ําธรรมดาเนี่ยเราสงสัยมันเป็นน้ําสุราหรือน้ําเหล้าสงสัยยปเราก็ขืนสิ่งลงไปอย่างนี้นทํานก็ไม่ไม่ยกเน้นนะท่านก็ปราบอาบัตเหมือนกันอาบัตทีุกกฎต่อความสงสั ย, ยแต่ครั้งที่มันน้าธรรมดาก็ ถ้าไม่สงสัยบริโภคเข้าไปเขาจะเป็นอับัตอะไรแต่ถ้าสงสัยแล้วมันเป็นน้ำเหล้าหรือเปล่าแล้วเราก็เอามาบริโภคเข้าเนี่ท่านปรับอับัตเพราความสงสัยเคามีอยู่ครั้งหนึ่งที่ปัญหาทางสนามหนวงนี่ออกว่าน้ำชาที่สืสงสัยมันเป็นน้ำเหล้าแล้วกินน้ำชานั้นเข้าไปเป็นอับัตอะไรหรือไม่มีท่านก็จะเลยว่าเป็นอับัตจทุกดเพราะความสงสัยเนี่ทําก็ปรับอับัตแมที่นั้นความสงสัยนี้ก็เป็นเหตุให้ เ อ, อต้องอาบัดเหมือนกันนะ อ, อข้อที่สีว่าอากัปปิยากัรปิญญาสัญาต้องเลือกสำคัญว่าควรในของที่ไม่ควรมนะควรในของที่มีควรข้อนี้ข้อย่อปัญญาถ้าเห็นง่ายๆเทนั้นเวลาตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงเนี่ยเป็นเวลาที่เอ่อต้ออนุญาตให้บริโภคอาหารได้แต่นี้นะไปควรในสิ่งที่ไม่ควรก็คือว่าเอ่อ มาเที่ยงแล้วไปเนี่ยควรมาไปควรอย่างนั้นคือไปควรในสิ่งที่ไม่ควรนะอันนี้ก็เป็นอับัับที่บอกไปบริโภคอาหารในเวลาเลยที่ยงไปแล้วเป็นควรในสิ่งที่ไมันควรเราไม่เข้าใจวันมันควรแต่พระองค์ในส่วนบัญญัติเราต้องไปเช้าด้วเที่ยงนี่ยไม่ควรอ้อเป็นสิ่งที่ควรบริโภคอาหารได้แต่กระนั้นเราบอกว่าเราไม่ควรเป็นควรตอนนี้มันปลอดภัยเพราะมันก็เป็นอับัับไหนเหมือนกัน อกขห้าอนะกาปียะสันติสตาต้องเลือกสาคัญว่าไม่ควรในของที่ควรามาันก็ว่าสิ่งที่ควรมันเปอนว่าไม่ควรอย่างเงี้ยมันจะบําบัดมันมีเป็นควรฉันควรฉันได้อะไรต่ออะไรได้แต่กําลังบอกว่าไม่ควรแต่ก็คืนฉันเข้าไปหรือขืนก็ทําเข้าไปก็ไม่พ้นสารบัตเหมือนกันแล้วก็สุดท้ายทสติสามโมสดาในเหตุการลืมสติไปลืมที่ถึงเช่นเราเกิดเทศทั้งห้าเนยใสเมืนยข้นน้ำมันน้ำผึ้น้ำอ้อย เอาไว้เกินเจ็ดวันก็ตามเพราะวันไหนน้ำให้เก็บในเจ็ดวันถ้าเกินไปถึงวันที่แปดอย่างเงี้ยคือลืมจิตใจเมื่อวันยังไม่ถึงวันที่แปดเอามาบริโภคมันก็เป็นอาบายเหมือนกันหรือว่าเอ่อเอ่อถึงเวลาเที่ยงแล้วเราเข้าใจว่าหลังไม่เที่ยงไหนเข้าใจวันหลังไม่เที่ยงแล้วลืมจิตใจมันถึงหลายโมงแลยคือเม่อวัมันเที่ยงเมื่อวันมันยังไม่เที่ยงก็เลยบริโภคอาหารายอันนี้ก็ต้องเลยลืมจิเหมือนกัน แต่นี้ว่าผ้าฟรานปีวอร์ตึ้งสามธรรมนาแล้วพิสูจนอัตเวจไม่สิบวันเป็นอย่างยิ่งเมื่อไม่ได้ได้มไม่ได้อะไไม่ได้อะไรสงอะไรเราก็เก็บได้แค่สิบวันหรืเร า, า, ร เ, าเกิบไว้สิบวันแล้วมันเฉลม่ยที่ถึงสิบ็ดหรือว่ายังมีถึงสิบอ็ดวันก็มัคนควรจะระบาดเหมือนกันในเกณฑ์ว่าต้องยืนลืม ส, สิบไปมีอาการที่พิสูจจะต้องระบาดหกอย่างนี้เป็นเป็นข้อสําคัญที่เราจะต้องท้องจาและก็เข้าใจด้วย ต้ายามไม่เข้าใจด้วยว่าอาการทั้งหกอย่างนั้นเป็นอย่างไรบ้างแ่ะข้อไหนเป็นข้อที่มีนะเพระเหตุอะไรเราก็คือศึกษาในข้ออันนี้ให้ให้เน้นย้ำที่ถุดนะในข้อนี้เป็นข้อสำคัญมีเมื่อเราต้องอบับดับหรือเราจะแก้ไขกันอย่างไรคำบอกว่าหมักที่จะทีปฏิบัติในการสั้งอบับดับนี้อยู่นะท่านแสดงไว้สามอย่างว่าหมัก ต้องปิบัติในการต้องอาบัดมีสามอย่างหนึ่งเป็นหน้าที่ของพิสูจน์ผู้ต้องอมบัดเป็นหน้าที่ของพิสูจน์ว่าแบบเรา ต, รต้องทําคืนตามวิธีนั้นๆสองเป็นหน้าที่ของพิสูจน้ผู้เห็นจะคุณตัดเตือนด้วยจิตเมตตาสามเป็นหน้าที่ของสงฆ์จะพึงทําตามสมควรแก่พระธรรมวิญญาณ น, นี่เราจะต้องปฏิบัติอย่างนี้ หมายความว่าประการที่หนึ่งเนี่ยที่สุผู้ซาลาบาดจะต้องหาโอกาสในการที่จะทําความมูลสุดคือทำคืนเสียถ้าเป็นอาบัตเล็กน้อยเช่นอาบัตตัวใจฟ้าที่สิบบาที่สมญาทุกคนทุกฟังสิทิ์นี้ก็จะต้องทําคืนเรนือ่องการเทศนาคือแมนต่อหน้าสง่าหน้าคณะหน้าบุคคลคือที่สุเรื่องใดเรื่อหนึ่งก็ได้ก็หาวิธีในการที่จะแก้ขไขเรื่องวิธีการอย่างนี้ ก็พ้นจากอามัดนั้นได้แต่ถ้าหากว่าเป็นอามัดนักกว่านั้นเช่นอามัดหลังคาพิเศษอย่างเนี้ยช่ไมอยงนี้ได้เพราะเป็นนิฐานขาดไม่มีพ้นได้มีการประทุิุทธาละวิธีที่จะต้องจดเรื่องหาวิธีมีการประพทุยุทธานวิธีอยู่ปริญาตกรรมประทุสมานัณบำเพ็ญตนพอประมาณตนจนครบตามกําหนด ตามพระรีไม่บัญัติไว้ที่จะพ้นจากอาบัตินั้นาได้ถ้าเป็นอาบัติสังกายพิเศษก็ต้องเอทำด้วยวิธีอย่างนั้นแต่ถ้าเป็นอาบัติปารชิกแล้วก็วิธีที่จะแก้แกไขอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นไม่มีก็มีอย่างเดียวก็ต้องสลับเพศออกไปเป็นคารหัดเพศต่อไปเนี่ยก็คือสลับเพศเลย จะอยู่ต่อไปก็ไม่ได้แล้วเพราะมันจะเป็นพิสุแต่ขาดจาการเป็นพิสุอยู่กับพิสุไม่ได้เลื่อมฉันทกรรมโมสดไม่ได้ทําให้ไม่รับคือศนะรกรรมคือบาปหน้าขึ้นดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่ายังต้องมีพิสุอื่นต้องบอกกลาบมาไหว้ยังต้องทำให้กรรมเขาเสียอะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยะนั้นเมื่อรู้ตัวรู้จุดตัวว่าเป็นผู้ต้องอาบัติถึงขนาดปาราชิกแล้วก็เราก็สลัดเทสออกไป เนี่ยหน้าที่ของผู้ที่ประมาทก็จะต้องทําคืนลูกฤทธิการอย่างนี้หรืหน้าที่ของผู้อื่นเมื่อเห็นเธอประทุษน่าจากเป็นการเมตตดีเมตงามก็คือตักเตืนอนด้วยจิตนิสตาหมายความว่าเห็นการกระทึกของผู้นั้นแน่ะน่ารังเกียจหรือมีการกระทาที่ผิดศีลผิดธรรมผิดวินัยเป็เหตุที่เกิดความ อเสื่อมขอศรัทาของที่มีศรัทถารลื่อมใสอยู่ก่อนก็ถึงตักเตือนเธอด้วยความปานถนาด้วแต่ก็ยังว่าเลยปจิบันนี้ก็อันตรายอยู่เหมือนกันบางทีไปตักไปเตือนไปหบอกเขาก็ไม่พอใจหามาอย่างนั้นหาว่าอย่างนี้อะไที่ดีนะก็ควรที่จะเชื่อฟังฟละหบอกผู้เจานาบริสุทธิ์ดีดีแล้วก็ควรจะเชื่อฟังรับฟังแล้วก็ปฏิบัติตามสมควรนั่นพระพุทธองค์ทรงตัดเอาไว้แล้วก็คือว่าให้เราช่วยตักเตือนกัน เนในการที่เราภาวน า, าออกภรษาเราก็บอกภาวนาต่อไม่เห็นก็ดีได้ยินก็มีได้รังเกียจก็ดีก็หอยว่าสาว่ตักเตือนเรื่อิตเมตตา้ เ, าเมื่ อ, เ, อเห็นว่าอะไรที่มันบกพร่องเรจะไปรับปรงแก้ไขเราก็มีเวล า, าต่อกันเอาไว้แล้วแต่ทางที่ดีก็คือเราก็ช่วยการตักเตือน ว, ว่าเปล่ากันตามทีควรเร่องจิตที่เป็นเมตตาดังกล่าวเป็นหน้าที่ของที่สุขอื่น ไม่ใช่ว่าเห็นสะพิษงมี่ม่มีงานก็ล่อยไปตามที่ตามเราอชั่วช่างเคดช่างถิ่นอะไรทำนงนั้นมันก็เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายมากขึ้นก็ควรที่จะต้องตัดเปือนได้คือตอนที่สามมันก็เป็นหน้าที่ของสงหมายความว่าเมื่อเราอเอห็นว่าตัดเปื่อนก็ไม่สะพิษปฏิบัติตามก็จําเป็นที่สงจะต้องจัดการนะทำอย่างใดอย่างหนึ่งลั้ต่ให้พอสมควรเหมาะสมแก่ธรรมวินยัย ว่านะมีความประพฤติอย่างไรสงก็ลงโทษไปตามสมควรนี่ก็จะเป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้การประพฤติมรรคของเรานั้นก็มีความบริสุทธิ์ของใสยิ่งขึ้นนะเป็นเนื้อมาบุญอันดีงามของผู้ที่มีความประสงค์ต้องการบุญนะนี่หลักการที่จะต้องปฏิบัติทีื่อเราต้องอาบัตก็ต้องปฏิบัติกันอย่างนี้จึงจะเกิดความบริสุทธิ์ได้เสียจะกล่าวถึงอันสง อั น, นส์ของการเราพื้นปฏิบัติตามพระธรรมวินัยหรืออั น, นส์ของการศึกษา เ, เราก็จำเป็นจะต้องรู้ต้องเข้าใจประการศึกษาถ้าเราศึกษ า, าไปโดยไม่รู้เห็นไม่รู้รต้นเหเราเห็นว่าปฏิบัติการศึกษาไปนั้นม่ได้อะไรขึ้นมานอันนี้ก็จะต้องศึกษาให้เข้าใจว่าประโยช์ที่เราจะได้นั้นมีเรือยอว่าอันส์อั น, นสมข อ, นน ง, องการ อศึกษาอานิสงส์ของการประพฤติปฏิบัติตามพระ อ, อินทร์ในอานิสงส์นั้นมีหลายอย่างด้วยกันการบัญญัดพระอินทร์ในนั้นก็ในกล่าวแล้วว่าเพื่อให้ประพฤติปฏิบัติในทางที่ดีงามนั้นอ น, นิสงส์แห่งการเรียนพระอินทร์นี้ท่า็กล่าวไว้หลายอย่างด้วยกันนะก็้อคืบตั้งใจในการที่จะกาหนดจดจำอ น, นิสงส์นั้นมีอะไรบ้างอ น, นิสงส์แห่งการง เ, เ, เรียนพระอนินทร์ ท่านกล่าวไว้ห้าประการด้วยกันนะท่านกล่าวไว้ที่ไหนท่านกล่าวไว้ในพระไตรปิฎกในยีน่ในไตรปิฎกในคำพิมพรวานเล่มที่แปดหน้าสี่ร้อยห้าสิบสามก็ไปตรวจค้นดู่ก็จะปรากฏว่ามีอนุสวงถึงห้าอย่างด้วยกันห้าอย่างนั้นก็หมายวด้วยคนด้วยเครื่องจำท่าไหนไว้น้านย่อมคุม้มครองรักษากองศีลของตนไว้บ้านเป็นอย่างดี ประการที่สองบุคคลที่ทรงจำพระวินัยไว้ได้ย่อมเป็นที่พื้อาศัยของเหล่าีิลมุตผู้มักเกิดความเพื่อแคลงสงสัยบุคคลผู้ประการที่สามบุคคลที่ทรงจำพระวินัยไว้ได้ย่อมเต็มผู้องอาจไม่สะทกสทานแสดงความคิดเห็นใน่ามกลางสงได้ประกามที่สี่บุคคลผู้ทรงจำพระวินัยไว้ได้ย่อมมันหลบ เราบุคนผู้โต้แย้งให้ยินยอมอย่างลากคาบไม่้ดยถูกตามต้องตามความเป็นจริงเหตุารที่ห้าบุคคลผู้ทรงสำเขามีในไม้ไดย่อมเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติเพื่อความบรรยงอยู่แห่งพระธรรมนี่คืออันดีส่แห่งการศึกษาเ่าเรียนนะส่วนอันสีส่งของการปฏิบัติตามพระวินัยนั้นอีกอย่างหนึ่งเรียนรู้ก็ได้อันดีส์ ปฏิบัตตามยิ่งได้อานิสงส์มากขึ้นแนวอานิสงส์มากขึ้นอานิสงสงข์ของการปฏิบัติตามนั้นเป็นอย่างนี้ทำหน้าว่าพิโสผู้ปฏิบัติตามถ้ า, า, า, า, ถามีในอย่างเพิ่มขึ้นครับย่อมจะได้อานิสงส์สีดำต่อไปนีหนึ่งเป็นผู้มีจิยญรณมารยาที่มโนดีงามสองไม่เป็นที่รังเกียดของเพอื่อนสำมิตรกันสาม มี็นสุไมนอยู่ของที่อยู่ผู้เป็นลัทธิลัทธิคือผู้มีอย่างอาย 4. ไม่ต้องเกิดปิปิสารคือความเมือยร้องใจในเพราะวางประีปของตนหมีความอุ่นใจมีความองอา จ, มามออาจไม่เกิดความสะทกสะท้านในถ่ำกลางสงหกไม่ต้องอารัตโทษทั้งที่เป็นโลกวัชชะและสันนติวัชชะเด เป็มผู้ทาให้หมู่คณะเกิดความเมียอดลอยสวยงามน่าดูน่าชมน่าคารวะสกัลละชาแต่ผินชนที่จะมาแล้วย่อมสันเสอริกล้าเป็นผู้มีจิปิคุณความดีขจถไปซึ่งแผ่กระจายไปและจิตเมื่อแต่ตายทงลายขันแล้วย่อมเป็นผู้มีสติเป็นที่ไปในเรื่องหน้า นี่คืออานิสงส์แห่งการสะทิตปฏิบัติตามเขามีไหไมบนอานิสงส์ที่สิทธการด้วยกันท่านทั้งหลายฉะนั้นก็เมื่อเราที่จะมาถึงอานิสงส์ก็ เ, เป็นสิ่งที่มากจะเป็นสิ่งมีงามที่เราควรจะต้องปฏิบัติตามอยู่เคร่ ง, ร ง, งครัดได้เราทำสงฆ์ยังจะขอข้อสุดท้ายว่าไปสู่สุปฏิโลกสวรรค์ได้ถ้าเราปฏิบัติตามเขามีไหมนี่อานิสงส์ดังกล่าวนี้เป็ อ, อานิสงส์ที่กล่าวไว้ มือมือเฉพาะผู้ที่กำลังศึกษาในธรรมชั้นตรีก็จะทำให้รู้สึกอึดอัดใ จ, จว่าทาไมมีมากมายเหลือเกินในมากมายนั้ น, นก็อท่านยอดมาใ ห, ให้ให้มาทำชั้นนี้เ่ชั้นตรีเนี่ยไม่จำงา่ายก็คือจำนิสสังตอไปถ้าเขาถามอันโฉมของข้าพเ ม, มีอะไรบ้างเราก็ตอบเอาสัน้ น, ะนๆนะง่ายแต่มันอมความไปถึง กวา้างขวางองค์คามสำเร็มากมนวที่จะนาถึงคำง่ายๆนั้นว่ามีสัญญงเวชอดีในนั้นที่สูงส่งกาดีแลยย้วย่อมมอสังคืลหนึ่งไม่เบียดล้อมซึ่งเรียกว่าวิจติสารสองย่อมไม่รับความแช่มชื่นเพราะรู้สึกประพฤษตนมีงานและไม่อาจถูกจากกลุ่มลงโทษเป็นต้นสามจะเข้าธนาคนกับทิศทีธธ่ดีสีก็องอาจไม่จะตกสะท้าน เีแค่สามประการนี้เรสรุปลงมาแล้วอนิสง์มีสามประการในการที่เราศึกษาและปฏิบัติตามพระบิดาที่ย่ำพฤตผู้ไม่ปฏิบัติตามพระบินาย่อย่อนในพระบิดาแล้วย่อมได้ออนิสงส์ตรงทางก็คือไปรับแต่ความเดือดร้อนใจเกิดความวิตกวิตสามไม่ได้รับความเต็มที่หสึกตัวเป็นคนประพุติที่ไม่ดีไม่งามแล้วก็ิ ในทางเดงนกรรมข้าเนะอาจจะติกจับกุลงโทษจะเข้ามือผีสุขี่มีสิ่ก่อสกปรกทามยันราอ น, นะกลัวคนนั้นเขาจะทักจะท้วงบางทีไม่มีใครว่าอะไรตนเองก็สินท ต, ตนเองได้ขึ้นมาเนี่ยคนที่ย่อโยนในทางทำยังมงเรจะเห็นไม่เป็นเรื่องไปเห็นไม่เป็นเรื่องไปแล้วถ้าเกิดความล้อนในใจอยู่เสมนจะเข้าหมูอผีสุขอื่นก็เกรงเกรงอยู่วาดวันมยูอะไรต่ออะไรเราก็เห็นอยู่ แม้อย่างนี้คือว่าเล่าหย่อนในทางทุนในนี้นเราก็ได้อานิสงส์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหรือศึกษาพระธรรมวินัยมาตามสมควรนี้ไว้ในทัพหนดมีถ้าหากว่าจะพู้ถึงความมุ่งหมายมุ่งหมายที่แท้จริงอของของพระวินัยเนี่ยนะข้ามกล่าวว่าขนแหง่งความมุ่งหมายแหง่งพระวินัยนั้นเนี่ยเป็นสิ่งสาคัญ ที่เราจะต้องจับความตรงนี้ให้ได้แลนะจับความตรงนี้ได้เพราะว่ า, า ก, การศึกษาการปฏิบัติเราก็มุ่งประสงค์ในผลที่จะเกิดขึ้นนั่นเองผลมุ่งหมานของเราจะอยูในนั้นทั้ ง, งกล่าวไว้ถึงแปดประการด้วยกันนะแปดประการเป็นการขึ้นในเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นคนเที่ยงโหดสองเพื่อป้องกันอความเมืองโลกขรือเมืองชี สเพื่อป้องกันความบุริย์สี่เพื่อป้องกันความประทุษโลภสามห้าเพื่อป้องกันความประทุษเสียหายหกเพื่อป้องกันความประทุษสุขสนเก็บลงครั้ตามความนิยมในครั้งนั้นแต่เพื่อให้เป็นธรรมเนียมของพิสุทธิ์นี่แต่ประกาศด้วยกันเพื่อจำไม่นนล้าวท่องเอาสั้ำ ท่องเอาไว้เพ่มโหดเลียงที้ดรายโสาเสียหายุกซนลมลนทเลี่ยมแล้วต้องเอางายๆว่าเพอมโหเียงที้ดุรายโดยสาเสียหายทุกซนลุลนทำเลี่ยมจบแปกประการในกันถ้าเราท่องแบบง่ายๆอย่างนี้มันจะจำขึ้นใจและจำแล้วไม่ค่อยลืมอะไรไเป็นความนิ่งหมายของท่านุ่ยที่ส่งบัญญัติไว้สช้ประโยชน์ ประโยชนแห่งการบญญัดขวัญในเนี่ยก็เป็นสิ่งสําคัญที่เราจะต้องศึกษาให้เข้าใจว่าประโยชน์นี้มีอะไรบ้างแห่งการบญบัดขวินัยนี้ อ, อการศึกษาที่ได้ศึกษามาก็จะปรากฏทุกทุกสิ่งสุดที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติขึ้นเมื่อผู้ละกระทาผิดขึ้นก็เรียกประชุมสงฆ์เรี่กประชุมสงฆ์แล้วก็จะได้ซึมถาม ฐานชั้นภูมรัฐแล้วก็ทรงชี้โทษและประเสริฐอภิทรงและกำบังจักรินในและจะกล่าวว่าในตอนท้ายเพื่อประโยชน์อย่างไรนะการบาญญัติธรรมในนั้นเพื่อประโยชน์สิทธิการในการที่เราจะต้องศึกษาให้เข้าใจแม้เมตธรรมชั้นนี้จะไม่ไม่มีการออกข้อสอบแต่ก็ควรศึกษาให้เข้าใจในประโยชน์ที่จะถึงได้จากการบัญยัติธรรมใน ประโยชน์การปฏิบัตินั้นไม่ได้แน่นอนแต่ประโยชน์ในการบัญยัดมันเป็นสิ่งหนึ่งที่พระพุทธองค์องทรงบัญยัดเอาไว้ที่เราจะต้องศึกษาให้เข้าใจว่ามีอะไรบ้างประโยชน์ในการนำหญัดได้ยไหมนั้นมีสีประการคือประการที่หนึ่งเพื่อความรับว่ามีนามแห่งสงประการที่สองเพื่อความอยู่สำราญแห่งสงประการที่สามเพื่อกาจัดบุคคลที่ตู้ยากคือตู้มาน้านบ้าน ประการที่สี่เพื่อความอยู่เปสุขของพิสุททั้งหลายที่มีสิ่งเป็นที่รักประการที่ห้าเพื่อบรรลุกันอาสวะอันจะเกิดขึ้นในปัจจุบันประการที่หกเพื่อบ้องกันอาสวะอันจะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าประการที่เจ็ดเพื่อความเลื่อมใสของบุคคลที่อย่างมีเลื่อมใสประการที่แปดเพื่อความ เลื่อมสายของที่เลื่อมสายนั้นให้ยิ่งขึ้นไปต่อ ก, การติดก้าเพื่อความตั้งมั่นแห่งพระศิธรรมและภาษารตรีศิษเพื่อปฏิบัติตามพระยิ น, นายหรือก็อุดนิมภ์พรยิ่งนาเนี่ยสิประการด้วยกันกามาเมนะื่อพิจารมือแล้วก็เล้อนแต่เป็นสิ่งสําคัญทั้งนั้นเลยแต่โดยเฉพาะข้อที่ว่าเพื่อตั้งมั่นแห่งพระศิธรรม ข้อสัตธรรมที่จะตั้งมั่นอยู่ได้นี้ก็พระวินัยเป็นรากแก้วที่จะยังข้อสัตธรรมให้มั่นค ง, งมั่นอยู่ได้ เ, เป็นรากแก้วของพระศาสนาข้อสัตธรรมคืออ่าจุบันทสัตธรรมปฏิบัติสัตธรรมลุกปิเวทิสัตธรรมเนี่ยจะเกิดมีขึ้นได้ก็จะต้องอาศาัย มาจากปัจจัยสําคัญคือพระวิ น, น, นัยนี้เราจะเห็นว่าพระวินัย น, นั้นสําคัญอย่างไรก็มาเห็นมาพิจารณาว่าการหมวดเป็นพระเป็นเมมนนนี้ก็เป็นเรื่องของพระวินัยทั้งสิ้นถ้าไม่ปฏิบัติตามพระวินัยการบวชก็ไม่มีนะการบวชเป็นสังฆกรรมผู้มีสมบที่เป็นสังฆกรรมเป็นเรื่องของพระวิ น, นัยแม้แต่การรักสีนี้ต่างๆก็เป็นเรื่องของพระวินัยทั้งสิ้น การเราปราบเายังมีการบวดปราบเายังการรักสินการรักษาสินอยู่ปราบนั้นก็คือการบำรุงพระอินนัยไว้อยู่ตามสมควรพระศท์ธรรมอื่นๆก็จะบำรุงคงแน่นอยู่ด้วเหมือนกันเนี่ยมเรื่องเหมือนกันนั้นเราที่จะมาเห็นอย่างนี้แล้วก็ศึกษาให้เกิดความรูม้เกิดความเข้าใจในเรื่องของพระอินนัย แล้วก็ปฏิบัติตามพระวินัยก็จะทําให้พระสัทธรรมต่างๆนั้นบำรงมั่นคงอยู่ต่อไปนะนจะได้เป็นการบูชาพระพุทธเจ้าของเราด้วยการปฏิปฏิบูชาคือบูชาด้วยการสุปฏิบัติตามในส่วนหนคือพระวินยัยแล้วเราก็จะไม่ปฏิบัติพระธรรมเมืม่อพระธรรมได้มั่งตั้งนั่งอยู่เราก็ในปฏิบัติตามเรื่องพระพุทธโย รูกรรมที่จะกล่า <c> ว <oughs> จ, จบในเรื่องของท่านในเรื่องของการนี้ก็จะได้ทบทวนก่อนที่จะจบในการนี้ก็คือทบทวนเรื่องวิริย์นัยนั้นคืออะไรก่อนให้นักศึกษาที่กําลังศึกษาธรรมชั้นตรีได้ทบทวนแล้วก็จดจาเอาไว้นี่คาว่าวิริยนัยถ้ามีาคําว่าวิริยนัยคืออะไรเราก็ตอบว่าคำว่าวิินัยนั้น ก็คือกฎหมายข้อบังคับระเบียบแบบแผนขนรรมทำเนียมอันดีงามของพิสูจมีก็ได้นีืจะแปลว่าพุทธบัญญัติว่าที่สมาชิก เ, เรียกว่าวินัยก็ได้หรือจะแปลว่าได้แก่ข้อที่พระพุทธเจา้าทรงห้ามและข้อที่พระพุทธเจา้าทรงอนุญาตก็ได้เนี่ยและวนินยัยที่สอยงยาเราก็ตอบวนินัยก็มีสองอย่างคืออาคาระยะวินยัยได้แก่วินัยของผู้ครองเรือน ได้แก่พระราหัตญาตโยมตัวงไปมีสินห้าสินแปดวินาประารที่สองก็คืออนาคาัิยะวินัยวินัยของบัญญชิตได้แก่นับนวดเกสินสิบสำหรับสมัมณีสินสองร้อยี่สิบเจ็ดสำหรับพิสุสินสองร้อสาม้อยสบอ็ดสำหรับพิสุนีอย่างนี้ปออีนี้ก็ได้เลือกจะกล่าวว่าวินัยสองคือที่ทิพย์มารกาสิกขาวันที่ิพย์รรารกาสิกขาก็ได้ตอบได้เหมือนกัน เนี่ถ้าหากว่าจะมีคําถามว่าพระวินัยนั้นต่างจากธรรมะอย่างไรอันนี้ค น, นก็เป็นข้อสําคัญที่เราจะต้องทําความเข้าใจตอนพระวินัยนั้นต่างจากธรรมโดยที่ทรงตั้งไวเาาา้เป็นพุทธานาเป็นสี่ขาบดหรืออยางที่สมบารณ์หากเพื่อเป็นทางนําทางประพฤติให้เป็นประเบียบเรียบร้อยสมสมบรณ์กันและอันเป็นเครื่องบริหารคณะให้เป็นไปโดยสวัสดีนะและ้วก็มีการปรับอําบัติ โทษไว้แบบมัง่งเบาบ้างตามสมควรอาสวธรรมนั้นไม่ได้ทรงตั้งไว้เป็มเช่นนั้นทรงแสดงการปฏิบัติเพื่อเป็นทานนำความประพุติอัญญาสิยให้เป็นมิตรขึ้นเท่านั้นทำนั้นย่อมลงโทษนี้ให้คนแก่ที่ปฏิบัติรุกซื่อประพฤติคือทำผิดหรือทำชอบตามสมควรแก่เหตุเท่านั้นเองแม้จะ ม, มีกำหนดก็จะตองอบัตมนั้นออบัตมนี้เหมือนเหมือนเท่าที่ใ น, นั้นอาไม่ว่า เราพูดถึงเรื่องของพระอินนายแล้วก็ อ, อถ้าหากมีคำถามว่าท่านทราบหรือไม่ว่าจะมีเฉพาะในพระพุธศาสนาหรือไม่หรือว่าในศาสนาอื่นก็มีอย่างนี้หรือได้อย่างไรที่จริงก็พระอินัย์นี้ไม่ใช่มีในเพาะพระพุทธศาสนาเท่ า, น, า, า, น, า, านั้ไไไ น, ไ, น, ไ, น, น ไ, ได้อย่างนี้คือก็มีว่ายมไนยโดยตรงนั้นไม่แก้ระเบียบหรือกดข้อบังคับสําหรับเป็นเครื่องบริหารหมู่คณะให้มีระเบียบเรียบร้อย อยู่ในระดับเดียวกันงั้นถ้าไหนไม่มีูระเบียบอยู่นั้นก็ก็มีแต่จะเกิดการแตกแกแย่งกันหรืออะไรอะไรกันการทําอะไรก็จะมีไปการขัดแย้งกันดันนรร ง, งนั้นระเบียบต่างๆนี้แม้ในศาสนาอื่นก็มีไม่ใช่เพื่อในพุทธศาสนาเท่านั้นแ ม, มนน้แต่ในฝ่ายอาณาจากักก็สื่อทางโลกเนี่ยเขาก็มีเหมือนกันในเรื่องของพระวินัยถ้าจะถามมาประโยชน์ในการบัญญัติพระวินัยเนี่ย เราจะาาจะที่แจงเขามันอย่างไรว่าพระคาถามาประโยชน์ต้อเป็นอย่างไรนัง่งอันนี้ก็ตอบว่ประโยชน์ยังแค่นี้นะมีอย่าง น, น, างนี้ประโยชน์นั้นก็เพื่อจะให้เป็นบรรทัศฐานกายวาจาของผู้ปฏิบัติให้เรียบร้อยเพราะผู้ที่มาเหนือยต่างทูศต่าสนาสนั้นเป็นผู้ต่างชาติต่างสกุลต่างวิสัยใจคอตันไม่มีอันื่อไม่มีแค่นีนไว้เป็นข้อขีดข้ามความประพฤติแล้วไหนเรื่องความประพฤติก็ะจะลงอ่าจะลงรอยกัน เราเป็นเดียวกันได้เมื่อในมือหนึหนต่างมีความประพฤติผิดแปลแต่างกันแล้วผลคือความเสียหายอย่างอื่นก็เมื่อ้องกล่าวถึงภายในมันเป็นเครื่องบริหารมราเป็นเครื่องตัองตำ ม, มือที่ปลูกผู้ต่างชาติต่างสกุลต่างิสัยใจขอบการให้มีความประพฤตปฏิบัติทางกายวาจาระเบียบเรียบร้อยและให้มีสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันย่างต้นไม้คันยึดบอกนไอยต่างๆ ไว้ให้ยึดอยู่ในความเป็นระเบียบอันดีงามไม่กระจัดกระจายฉะนั้นฉะนั้นข้อยีในจึงเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องศึกษาให้เข้าใจแล้วก็เมื่อเราเข้าศึกษาเข้าใจปฏิบัติตามสมควรแล้วก็จะได้ดรับประโยชน์ดัที่ได้กล่าวแล้วทีนี้ถ้าหากมีคำถามออกภาษาสปบาลทรงเห็นอนานาจประโยชน์อย่างไรจรงปฏิบัติจริงทรงบัญญัติข้ไหนอย่างนี้ เราก็ตอบได้อำนาจประโยก็เหมือนที่ได้กล่าวแล้วว่าถ้ายุางายงในนั้นเป็นเครื่องศึกษาที่สู่สงให้ตั้งอยู่เป็นอันดีประกอบๆๆเรื่องพิมพ์เรื่องบานเช่นบ้ที่ร้อยดอกไม้ควบคุมดอกไม้แะที่ต่างๆชนิดต่างๆพันนั้นไม่หากกระจายเป็นเครื่องส่งการความประพฤตเสียหายจากจ่งเครืประพฤติดีงามน่าไม่มีสภาเลื่อนใส่คนที่รวมกลังอยู่เป็นหมวดหมู่ปัจจุบันเนี่ยก็เพราะวิายยนนั้นเอง เ, องเป็นเครื่องเครื่องปกครองให้เป็นไปบ้านอย่างนี้นะ ะนั้นก็มีประโยชน์มากที่พระศาสนาทรงเห็นประโยชน์ในการที่จะทําให้หมูห่คณะมีเกิดความเรียบร้อยหน้ารื่นใสหน้าศรัท ธ, ธาทรงอาศัยความเป็นอย่างนี้จึงทรงบัญญตัติพระวินัยขึ้นมาเพื่อให้ทุกสุทั้งหลายได้ปฏิบัติตามและกะ็ประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คืออานิสงส์แห่งการบัญญตัติพระวินัยนั้นก็ทุาสทั้งหลายก็พึงจดจําเอาข้อสําคัญสําคัญเอาไว้ ว่าอนิสงส์ที่ จ, จะน้อายจากการศึกษาพระริมัยปฏิบัติตามพระริมัยนั้นก็คือมีความไม่ต้องเดือดร้นใจเรียกเรียกว่าวิจติสารเป็นอนิสง์ควรปฏิบัติดีตามทางมัชฌิมาปฏิปทาคือไม่ตึงเครื่งจนเกินไปและก็ไม่ให้่อนจนเกินไปเป็นเท่าไรอนิสงส์ดังกล่าวอสําหรับการพูดธรรมะพูดพระริมัย เกี่ยวกับนักธรรมชั้นตรีใหม่กันที่สองคือสวิตใหม่ดูก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาก็จะขอหยุดไว้เพียงแค่นี้ก็ขอความสุขความสวัสดีจงมีแด่ท่านทั้งหลายที่ตั้งใจศึกษาเราเรียนมาจงทุกท่านทุกคนเทิด